บทภาชนีนิสักคียปาจิตตีห้าหนึ่งจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่าเกินแล้วต้องอบัตตินิสักคียปาจิตตีจีวอนเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตตินิสักคียปาจิตตีจีวอนเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุสําคัญว่ายังไม่เกินต้องอบัตตินิสักคียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสําคัญว่าอธิษฐานแล้ว ต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีจีวรยังไม่ได้วิกัปภิกษุสําคัญว่าวิกัปแล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีจีวรยังไม่ได้สละให้ภิกษุสําคัญว่าสละให้แล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีจีวรยังไม่สูญหายพิกษุสําคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตินิสกิยาปาจิตตีจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสําคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอบัตนิสกิยาปาจิตตี จีวอนยังไม่ถูกไฟไหม้พิกษุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีจีวอนยังไม่ถูกโจรชิงภิกษสุสำคัญว่าถูกโจรชิงแล้วต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีติกะทุกกฎจีวอนเป็นนิสกีภิภูสุไม่สละใช้สอยต้องอบัตทุกกดจีวอนยังไม่เกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกิดแล้วต้องอบัตทุกก จีวอนที่ยังไม่เกินหนึ่งเดือนพิสษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎจีวอนยังไม่เกินหนึ่งเดือนพิสษุน์สำคัญว่ายังไม่เกินไม่ต้องอาบัต